พระโสดาบันกับพ ร, าาระอรหันต์ภิกษุทั้งหลายเมื่อใดอริยาสาวกรู้ชัดซึ่งสมุทยัยความอัดงอัสาทะคือส่วนดีอาทีนกคือส่วนเสียและนิสรณะคือภาวะอิสระหรือทางออกแห่งอุปาทานขันห้าเหล่านี้ตามที่มันเป็นจริง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 เป็นผู้อยู่จบเสร็จกิจลงภาระลงได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนหมดเครื่องผูกรัดไว้กับภพบเป็นผู้หลุดพ้นเพราะรู้ถูกท่วนในสังยุตตนิกายมหาวารวักมีอีกสองสูตรที่มีข้อความเหมือนอย่างนี้แต่ต่างเพียงเปลี่ยนข้อธรรมจากอุปาทาน น, นขันห้าเป็นอย่างอื่นคือเปลี่ยนเป็นอินทรีห้า ได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาและเปลี่ยนเป็นอีสีหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจสัจกานิกรณทูลถามว่าโดยเหตุผลเพียงไรหนอสาวกของท่านพระโคโดมผู้เจริญจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ทาตามคำสอนในวงเล็บ ศาสนากรปฏิบัติรงต่อโอวาทข้ามวิจิกิจชาปราศจากความเคลือบแคลงใจถึงความกล้ากล้าไม่ต้องเชื่อใครอื่นในคำสอนของพระศาสดาพระพุทธเจ้าทรงตอบว่าดูก่ออคีเวสนะสาวกของเราในธรรมวินัยนี้ยอมมองเห็นรูปทั้งปวงไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่ว่าภายในหรือภายนอกไม่ว่าไกลหรือใกล้ด้วยสัมมาปัญญาตามที่มันเป็นจริงว่ามิใช่นั่นของเรามิใช่เราเป็นนั่นมิใช่นั่นเป็นตัวตนของเรามองเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามที่มันเป็นจริงโดยในย่เดียวกันกับรูปด้วยเหตุผลเท่านี้แล สาวกของเราชื่อว่าเป็นผู้ทําตามคําสอนไม่ต้องอาศัยคนอื่นคือไม่ต้องเชื่อคนอื่นอยู่ในศาสนาของพระศาสดาทูลถามว่าด้วยเหตุผลเพียงไรหนอท่านพระโคดมผู้เจริญภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นอรหันต์ตะขีนาศพละจนถึงเป็นผู้หลุดพ้นเพราะรู้ถูกท่วน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 ด้วยเหตุผลเท่านี้ละภิกษุชื่อว่าเป็นอรหันตะขี น, นาศบหลุดพลล้นแล้วพระรู้ถูกทวน